ขยับเข้ามาใกล้ๆกันดีฟังนี่ก็เป็นเวลา13โมงกับ10นาทีนาฬิกาหลวงพ่อวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25ใช่ไหมอืมเป็นเดือนมกราวันนี้ก็จะนำธรรมะมาเล่าให้พวกเราฟัง แต่ที่ทุกคนได้ทำมาแล้วก็มีที่ยังไม่ได้ทำก็มีอย่่าตั้งใจฟังทุกคนเกิดมาในโลกนี้จะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเฉพาะคนไทยก็ตามคนฝรั่งหรือคนตา่างชาติต่างภาษาก็ตามคือมีการได้ให้ท า, านทานแปลว่าการให้ของของเรามี สิ่งที่ควรให้แก่ผู้ให้ทันว่าเรียวการให้ทานรักษาศีลพอทุกคนคงจะได้รับศีลห้าศีลแปดตามอุดมการหรือตามประเพณีบ้านของเราเฉพาะคนไทยแต่คนราตอื่นๆนั้นเขาจะว่ายังไงไม่ทราบี่ว่าการรับศีลรักษาศีลนี่ สิ่งนี้ทุกคนได้ทำมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ทำก็มีเป็นจำนวนมากดังนั้นเมื่อพูดถึงสิ่งที่ไม่ทำก็คือเราไม่รู้นั่นเองได้พูดมาแล้วสองอาทิตย์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดและกับวันอาทิตย์ที่สิบแปดได้พูดกันมาเรื่องความเป็นคนคำว่าคนคนเนี่ยเราเกิดมาแล้วเห็นแขงขา หน้าตามือเท่าเป็นคนบางคนรู้บางคนก็ไม่รู้คนที่รู้ก็ได้ศึกษาหน้าที่ของคนคนเกิดมาเป็นคนไม่รู้จักคนก็มีเป็นจํานวนมากแต่คนเกิดมาเป็นคนรู้จักว่าตัวเองเป็นคนก็มีจํานวนไม่มากตอนเ้านี่มีอาจารย์คนหนึ่งได้ปริญญาเอก เขามาถามหลวงพ่อพูดนี่ถ้าคนไม่คิดจะไม่รู้ทันวันอย่างนั้นแต่ทุกคนคิดได้ถ้าหากคิดทันวันยถ้าหากไม่คิดแล้วก็ฝังแน่นอยู่อย่างนั้นไม่คิดเลยสำหรับท่านอาจารย์คนนั้นนี่ว่าปริญญาเอกนี่เขาเรียกว่าด็อกเตอร์อย่างท่านก็เคยได้อ่านหนังสือมาหลายเล่มและได้ฟังอาจารย์พูดมาหลายองค์ พูดแล้วอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่มีน้อยคนท่านว่าอย่างนั้นถึงจะน้อยก็าตามเป็นหน้าที่ที่จะพูดได้เพราะอาจมีคนสนใจอยากฟังหรืออยากอา่านคําพูดของหลวงพ่อก็ยังมีอยู่พอพอได้ท่านว่าอย่างนั้นคนอยากฟังคําพูดหลวงพ่อถึงจะเป็นภาษาเมืองเลยท่านก็บอกผมฟังได้บางตอนบางตอนก็ฟังยังไม่ได้ แต่หนังสือเนี่ยฟังแล้วอ่านแล้วถ้าหากไม่พิจารณาก็จะไม่เข้าใจทันว่าอย่างไรดังนั้นคนเกิดมาเป็นคนเนี่ยจริงว่ารู้จักคนก็มีที่ไม่รู้จักคนก็มีที่ว่ารู้จักคนนั้นคือรู้เกิดมาก็แข้งขาหน้าตามือเท่าเป็นคนใครๆก็รูเเ้เด็กน้อยก็รู้แต่ที่ไม่รู้น่คนหมายถึงอะไรอันนี้ไม่ค่อยรู้ รู้น้อยคนสําหรับผู้มีปัญญาคนก็หมายถึงหลายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างหนวงพ่อเคยให้ข้อคิดว่าในกับตะก้าหรือกัะเตาหรืออะไรนี่ที่เป็นรับขยะนะั่นเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรถังขยะครับถังขยะถังขยะนะคนจะเอาของสกปรกก็มีอะไรก็มีไปเทศใส่ถังขยะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในถังขยะ เรียกถังขยะนะบ้านผมเรียกว่าตะข้าถังขยนะนั่นอ่ะบันนี้ดีก็มีชั่วก็มีอันคนนี่ก็เหมือนกันยก่ามันมีหลายอย่างบางคนก็ได้พิจารณาถึงขวอมเป็นคนมีดีกี่อย่างมีชั่วกี่อย่างก็จะได้เห็นคนนั้นเรียกว่าเป็นคนแล้วรู้จักคนแล้วเพราะว่ารู้จักค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แก่ตัวเราเรียกว่าคนได้ บัด น, นี้หน้าที่ของคนก็ยังไม่รู้เลนบัด น, นี้บางคนก็ได้ศึกษาหน้าที่ของคนหน้าที่ของคนนั่นคืออะไรมันใช่หรอรู้จักการทรมาหากินอันนั้นก็เป็นคนธรรมดาหน้าที่ของคนธรรมดารู้จักการนอนการนุ่งเสือ้อนุ่งผ้าหรือการหาเงินหาทองการศึกษาเล่าเรียน อันนั้นก็เป็นธรรมดาเป็นหน้าที่ของคนใครๆก็รู้อย่างนั้นเด็กก็รู้คนใหญ่ก็รู้แต่หน้าที่ของคนจริงๆน่นคืออะไรนรู้จักเลือกคัดจัดหาสิ่งที่เป็นหน้าที่ของคนสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของคนต้องรู้จัก ด, ด้วย ว, ว่ามนุษย์ไม่ใช่เกิดมาแล้วแข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนเป็นมนุษย์ได้เราเรียกกันอย่างนั้น ที่อาจารย์ที่ด็อกเตอร์เขามาพูดตอนเศ้าเนะี่ยก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ท่านว่าอย่างนั้นแต่ท่านคนนี้มาศึกษากับหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่นานท่านมาแต่ท่านทำงานแต่ไม่ได้เอ่ยซื้อคนนั้นคนนี้ท่านทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิ น, นุนทั้งแฟนทั้งตัวท่านเอง ตอนเย็นท่านก็มาประมาณจากสองทุ่มมาถึงทีวัดมานอนตีห้าท่านออกออกไปทำงานท่านท่านทำอย่างนั้นอยู่นานท่านก็เข้าใจธรรมะเรื่องที่จะเอาไปใช้หน้าที่ของขนนั่นเองดังนั้นจึงมนุษย์แปล่ผู้จิตใจสูงคือจิตใจเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอามา อันมันเป็นประโยชน์ก่อนนาไปปฏิบัติให้เราเป็นมนุษย์ด้วยหน้าที่ของคนคนมันเห็นแต่คนการทําการพูดการคิดเท่านั้นแต่เรื่องจิตใจเขาเรียกวมนุษย์ไม่ใช่คนแล้วคนนันเป็นมนุษย์แล้วทันวอย่างดังนั้นมนุษย์นั่นจว่าหน้าตาแขงขามือเท้าก็เป็นคนเช่นเดียวกันแต่จิตใจนั้นเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นผู้หักห้ามจิตใจได้ทันวันอย่างนั้น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 แค้งหักขาห้านเป็นคนวิกลจริตก่อได้แต่มันต้องเป็นตั้งแต่ในขณะมีไปจนถึงกับหมดลมหายใจเรื่องอนาคตนั้นเราไม่ต้องคำนึงคำนวณพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ดีแล้วแต่เราปฏิเสธกันไปคือเราไม่ได้ศึกษาหาความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อดีตอนาคตนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่า มันจะแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้ทันว่าอย่างนั้นที่จะแก้ปัญหาตัวเองได้นั่นก็ต้องปัจจุบันทนว่าต้องให้รู้ปัจจุบันเมื่อในขณะไหนเวลาใดจิตใจมันนึกคิดไม่ละอายอ้าวแล้วกันเป็นตัดเอกสารแล้วเมื่อตายไปก็ต้องเป็นตัดิอกสารเพราะปัจจุบันเป็นอย่างใดแล้วอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนั้นทันว่าอย่างนั้น บัดนี้เมื่อคิดอิาสาริษยาคนนั้นคนโอ้หลายเรื่องถ้าจะพูดไปเป็นหัวข้อหัวข้อไปก็ทั้งวันก็ไม่จบดังนั้นหลวงพ่อจึงพูดเอาใจความสั้นๆเพื่อให้เราเอาไปพิจารณาเองนี่คาว่าเป็นมนุษย์มันต้องรู้สึกจิตใจนึกคิดหักห้ามจิตใจได้เป็นมนุษย์นี่ว่าทหน้าที่ของคนเพราะคนเห็นเป็นคน จึงทำหน้าที่ของคนได้แต่หน้าที่ของบิดามารดาหลวงพ่อเคยพูดเอาสัส้นๆหน้าที่ของครูอาจารย์หน้าที่ของตำรวจทหารหน้าที่ของนักเรียนหน้าที่ของข้าราชการหรือพระสงฆ์องค์เจ้านี่ก็เช่นเดียวกันดังนั้นพระจึงแปลีผู้สอนคนที่หลวงพ่อเคยพูดอย่างนั้น คนใดที่สอนคนให้พ้นจากความเป็นคนเขาเรียกเป็นพระได้แต่พระอย่างที่ตัวหลวงพ่อนี่หรือตัวเพื่อนภิกษุสมาเนนี่อันนี้เป็นพระโดยสมมุติยอดสมมุติบัญญัติขึ้นมาท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็มีปรมัตดในตัวมันเรยกสมมุติบัญญัติปรามัดบัญญัติปรมัตดก็มีอยู่ในตัวมันนั่นเองอัถะบัญญัตินี่อัถะแปลว่าลุ่มเลึกหรือมักแปดอย่างนี้ลราว่ากัน อริยบัญญัติมันบัญญัติอยู่ในสี่ข้อนี้เองดังนั้นการศึกษาและปฏิบัตินั้นต้องศึกษาที่ตัวเราตำลานั้นดีแล้วทันวายอย่างนั้นเราเคยพูดกันย่อยๆกันว่ากิเลสพันห้าหลวงพ่อพูดภาษาบ้านหลวงพ่อย่างได้ยังเสียพูดภาษากลางเราผู้ไม่เป็นกิเลสพันห้าตัณหาลอยแปดมันก็เกิดขึ้นในอดีตในอนาคตกับปัจจุบันนี้เอง ถ้าเราไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันกีเลสพันห้าก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้กิเลสพันห้าเกิดขึ้นในอดีตห้าร้อยเรื่องห้าร้อยจำพวกเกิดขึ้นในอนาคตห้าร้อยเรื่องห้าร้อยจำพวกเกิดขึ้นในปัจจุบันห้าร้อยเรื่องห้า้อยจำพวกก็เลยเป็นพันห้า มันก็เกิดขึ้นที่ตวงนี้เองดังนั้นอดีตที่ผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็แก้ไม่ได้พอดีจิตใจมันึกคิดเรารู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็แก้ปัญหาเรื่องนั้นได้น่ท่านว่าต้องแก้ปัจจุบันที่ทำแล้วก็แล้วไปแต่ต่อไปนี่เราจะใช้สติปัญญา พิจารณาให้เห็นแจ้งรู้จริงตามคอมเป็นจริงท่านว่ายอย่างนั้นวันนี้ตัณหาร้อยแปดก็เช่นเดียวกันเราไปค้นคว้วในตำรับตำลาแต่มันดีแนละตำรานะแต่เราไม่รู้ที่จะเอามาใช้กับชีวิตของเราจริงจริงเจือกเป็นคนไม่ได้เป็นได้แต่เพียงลูปล้างหน้าตาแขงขามือเท้าเป็นคนแต่จิตใจยังเลือกหาขอมจริงไม่ได้คนไม่ใช่คน แต่ไม่ใช่พูดคนนั้นคนนี้นะนี่พูดสุขุมพูดสุขมจริงสู่กันฟังดังนั้นผู้ที่ว่าเป็นคนเนี่ยต้องเลือกคัดจัดหาเอาของที่ควรเอาและไม่ควรเอาได้แล้วจึงหยัดเป็นคนถ้าหากเลือกไม่เป็นไม่ใช่คนแต่เป็นคนก็ตะไม่ใช่คนนี่ท่านว่าอย่างนั้นดังนั้ น, น, นตันหาร้อยแป๊กเกิดขึ้นในอดีตสามสิบหกเกิดขึ้น ในอนาคตสามสิบหกเกิดขึ้นในปัจจุบันสามสิบหกสามสิบหกสามสามเก้านเก้าสี่สามหกสิบแปดก็เป็น1อยแปดมันก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้หรือว่าเท่าไหร่สามหกสิบเก้าหรือสิบแปดอ๋อถูกติดก็เนี่ยเนี่ยเราผู้มีปัญญาก็ฟังได้ที คนไม่มีปัญญาก็ฟังได้ฟังหลายครั้งหลายหนก็เข้าใจดิคนไม่ฟังแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรถ้าหากไม่ฟังแล้วจะไม่เข้าใจว่ามันพูดลึกเกินไปตื้นเกินไปคนที่ฟังไม่เป็นก็หาว่าลึกคนที่ฟังเป็นก็ว่าพอดีคนที่ฟังไม่เป็นก็ตื้นเกินไปลึกเกินไปนีว่าเราไม่พอดีนั่นเอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าให้มีสัมมาทิฏฐิให้พอดีไม่เอียงไปข้างซ้ายและไม่เอียงไปข้างขวาทันว่าอย่างนั้นดังนั้นควรมเป็นคนนั้นจึงว่ารู้จักเลือกเอาแล้วจึงเป็นคนเมื่อรู้จักเลือกเอาแล้วก็หักห้ามได้สิ่งที่ซวร้ายเกิดขึ้นนั่นก็เรียกเตี่ยงจากควรมเป็นคนมาเป็นมนุษย์ ดังนั้นความเป็นคนนั้นจึงเกิดมาจากทองแม้แล้วก็เป็นคนได้แต่ว่าจิตใจไม่ใช่คนทันว่าอย่างนั้นดังนั้นความเป็นคนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดอย่างนี้ความเป็นคนหลายเข้าไหลเข้าเนี่ยมันสมบูรณ์ก็เลยเต็มเต็มพวาความเป็นมนุษย์ไหลเข้ามาดังนั้นญาณปัญญาจึงเกิดขึ้นเพราะสัญญาสัญญาเพื่อเป็นการเห็น การรู้การเข้าใจแล้วแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นดีกว่าสัญญาควบหมายรู้และจําได้ท่านวิญญาณจึงเป็นผู้รู้วิญญาณคือรู้ปัญญาก็รอบรู้ท่านว่าใกล้ๆที่พูดนี่แต่คนฟังไม่เข้าใจก็หาว่าลึกเกินไปก็เพราะเรายังไม่เคยได้ยินอย่างนี้เคยได้ยินแต่ให้ทานแล้วได้บุญไปเกิดสวรรค์สันนั้นสันนี้ เป็นเทวดาอย่างนั้นยันอันนั้นมันเรื่องที่พูดกันมานานแสนนานแล้วดังนั้นที่หลวงพ่อนํามาพูดให้ฟังวันนี้ก็มาทําความเข้าใจกับพวกเราเองคนกรุงเทพเรียนมากอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมสามหลวงพ่อเข้าใจเคยถามมาหลายคนแล้วเรื่องปสามปสี่นี้ปหกนี่ไม่ค่อยมี มีตั้งแต่มสามมหกหรือปริญญานี่ยมีปริญญาตรีมีจํานวนมากเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่ค่อยมากปริญญาโทก็มากเดี๋ยวนี้ทําปริญญาเอกกันมากนะเพราะว่างานก็น้อยทันวันยนะังไงปริญญาตรีนี่หางานยังยากอยู่ถ้าปริญญาเอกแล้วหางานสะดวกสบายดีทันวันยนะังไงไม่ขัดข้อง เพราะคนต้องการคนมีความรู้อันความรู้อันนั้นก็จะเอามาแก้ปัญหาเรื่องความทุกนี้เองไม่เวียเรียนมาแล้วทรงจำคำพูดเหล่านั้นแล้วเอาไปคิดเอาไปหาเงินหาทองอันนั้นก็ดีแล้วดังนั้นคนขาดความรู้ขาดความรู้บ้านหลวงพ่อเรียวขาดความรู้ขาดความรู้ทขาดความคิดขาดปัญญาแล้วก็เป็นคนจนนั่น เมื่อเขามาถามทึงความเป็นคนเนี่ยไม่รู้คนเลียวว่าลักจนปัญญาอันอันจนยิจนจนทองนั้นใครๆก็รู้แต่เรื่องถามหาความเป็นคนเนี่ยเคยถามมาหลายคนแลยคนที่ให้ซื้อว่าคนเนี่ยใครเป็นคนให้ซื้อว่าคนมาให้ซื้อเสียงเรียงนามอันนี้เป็นใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาถามก็ไม่รู้เลยไม่ไม่มีใครมาตอบป่านนี้เลยถามมาหลายปีแล้ว ก็มันใครก็เอิ้อนกันมาชนี้มาแตดึกดํามันก็ถูกแล้วคนที่มีปัญญาให้ซื้อเสียงเรียงนามอันนี้มาคําว่าคนเนี่ยเราต้องศึกษาหาความเป็นคนให้รู้ความเป็นคนเมื่อรู้ว่าความเป็นคนแล้วเราจะเลือกเอาเลยเหมือนกับของที่อยู่อะไรของอันลืมไปแล้วเมื่อกี้ตะกา้านทั้งขยะครับเออทั้งทั้งขยะนั่นนะ่ะเราจะจะรู้ได้ เมื่อเรารู้จักถังขยะแล้วเอาของไปเทสใส่ไปทอกทิ้งใส่ถังขยะนั้นเราจะรู้ถ้าคนไม่รู้ว่าถังขยะเราก็จะไปทิ้งบนอื่นก็ได้หีือไปวางไม่ตามถนนที่ที่ใดก็ได้เพราะไม่รู้คนเป็นคนนี่เองก็ไม่รู้ถังขยะนั่นเองดังนั้นการฟังธรรมะจึงฟังแล้วให้ได้สติปัญญามาที่วัดสนามไหนเนี่ยต้องมาเพื่อฟัง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 ตั้งใจทำการทำงานพูดคิดท่เนีวเราสมาธิเป็นว่าจากนั้นแต่สมาธิอันที่เป็นน่งหลับตาภาวนานันกกวดีมันสงบได้แต่อันนั้นสงบแบบไม่สงบเห็นไหมทำไมจึงว่าสงบแบบไม่สงบสงบแบบนั้นสงบแบบพามพามทรมมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ไปศึกษากับพาม ไปศึกษากับพราหมณ์แล้วอันนั้นมันไม่ใช่เป็นทางที่จะแก้ปัญหาตัวเองและแก้ทุกข์ไม่ได้ทัางก็เลิกลมได้ละได้สิ่งเหล่านั้นดังนั้นศาสน า, าในประเทศอินเดียนะจึงมีหลายศาสนามีหลายลัทธิมีหลายอาจารย์มีหลายครูมีหลายวิธีปฏิบัติเราต้องเลือกคัดจัดหาเอาให้เป็น ถ้าหากเราไม่เลือกคัดจัดหาเอาไม่เป็นแล้วก็ไปจับน้นจับนี้จับต้นส่วนไปลายไม่ได้เรียกว่าย่าเท้าอยู่ที่เดิมนั่นเองทีนี้เราไม่ต้องย่าเท้าอยู่ที่นี่แต่ค่ายัำหลวงพ่ อ, พอเรยอไม่ง้างไป ย, ยืนยืนย่าอย่างนี้เป็นตมเป็นเลนเลยเป็นตมเป็นเลนเป็นล่มโพงมั่นหลวงพ่อเรือล่มโพติดตมเหมือนกับนกติดตังนกติดตังนึวกว่า ไปไม่ได้เพราะปีกมันติดแล้วก็ไปไม่ได้คนติดล่มติดโพรงก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาจึงศึงศกษาให้รู้จริ ง, งดังนั้นเมื่อเลือกเลือกคัดจัดหาหักห้ามจิตใจได้เรียกว่าเป็นมนุษย์บัด น, นี้เราจะศึกษาให้เป็นเทวดาจะพูดว่าเทวดาก็ได้เป็นอินเป็นพรมก็ได้หรือเป็นพระเรียบุคคลก็ได้ แล้วแต่จะสมมุติให้มันดังนั้นความสมมุตินี้จึงมีมากมายหลายเรื่องเราควรศึกษาให้รู้จริงในหน้าที่ของเราเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์มีอะไรบ้างต้องศึกษาให้รู้หน้าที่ของมนุษย์นั้นเราเคยพูดกับมนุษย์เป็นผู้หักห้ามจิตใจได้มนุษย์กับคนไม่ใช่อันเดียวกัน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 แต่คนในอินเดียนั้นมีหลายลทัทธิมีหลายอาจารย์พวกที่ไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าก็มีเป็นจนํานวนมากเราเคยได้ยินว่ามีแปดร้อยเอ่อมีร้อยแปดอาจารย์ร้อยแปดลทัทธิพระครูวิสิตธรรมจารย์เป็นอุปสารหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังร้อยแปดคนนั่นเขาก็จะไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเขาจึงไม่ปฏิบัติ ต, ตามพระพุทธเจ้า บัด น, นี้พระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นด้วยร้อยแปดคนนั้นเช่นเดียวกันจึงไม่ปฏิบัติตามร้อยแปดคนนั้นดังนั้นคําว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยทุกคนพูดได้ที่ไหนเป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆน่ะไหนบอสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเลยจะเห็นที่ไหนต้องเห็นรูป ก, กายภายนอกที่ติดอยู่กับเนื้อกับตัวเรามีคนมาถามตาคุณอยู่ที่ไหนจับเนี่ยเนี่ยถูกต้องจับตาจริงๆไม่ใช่จกเข้าไปในตาให้มันตาบอดไม่ใช่อย่างนั้น หูคุณมีไม่จับหูให้ดูเลยเนี่หูตาจึงเป็นหน้าที่ของดูหูจึงเป็นหน้าที่ของฟังบ้านหลวงพ่อเรียกว่าดังจะโมกเนี่ยจะโมกเป็นหน้าที่ที่จะรู้สึกเหม็นหอมจับถูกต้องเลยกายของเรารูปเนี่ยรู้จักที่จะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งร้อนหนาวเย็นหรืออะไรจะรู้เพราะเป็นหน้าที่ของกายมันนี่กินอาหารเปรี้ยวเค็ม หรืออะไรอะไรแหละก็เป็นหน้าที่ของลิน้นอันนี้ที่ว่าเห็นถูกต้องเห็นถูกจริงๆถามใครก็รู้เรื่องนี้เด็กๆก็รู้ใช่ไหมคุณ ห, หนูรู้ไหมดังดังคุณอยู่ที่ไหนจมูกคุณอยู่ที่ไหนนี่ไหนที่นั่นสิไม่ใช่จมูกของคุณหูหน่ะใช่หูหน่ะไม่ใช่จมูกนั่นน่ะเชื่อไหม <c oughs> เนี่ยก็ต้องไม่เชื่อใครเนี่ยเห็นถูกต้องจริงๆ นี่มาเห็นถูกต้องเลยต้องเห็นความจริงไหมจิงว่าของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันแต่คนอินเดียเขาจะพูดยังไงไม่ทราบอ่าคนอินเดียนะพูดภาษาอังกฤษเป็นเป็นบ้างไหมอ่าแล้วจะมมกเขาว่ายังไง น, น้อยก็น้อยอ่าเนี่บ้านี้คนไทยว่า ว, ว, วัดจะโมกใช่ไหมไปทางเมืองลาวเรียวกว่าดังนี่ไปยังไงมันพูดภาษาไม่เหมือนกันนี่ของจริงเนี่ย ต้องต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดมาไม่ใช่อย่างคุณรู้แนละ้วมันยังมีนะมันมีแต่คุณไม่รู้มันก็นมีอย่างนี้อันนี้เรียกของจริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันทั น, นวัยยนเลยเมื่อจะมีผู้รู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีผู้รู้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นการให้ทานการรักษาศีลการทํากรรมาฐานการเจริญนิพพานก็นตามจะเอามาแก้ปัญหาเรื่องทุกข์วันนี้ ทุกมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนเกิดขึ้นเพราะควมไม่รู้นั่นเองไม่รู้เรื่องอะไรคือไม่รู้ความเป็นคนนั่นเองเมื่อไม่รู้ความเป็นคนแล้วความเป็นมนุษย์จะรู้ทาไมเมื่อไม่รู้ความเป็นมนุษย์แล้วความเป็นเทวดาจะรู้ทาไมเมื่อไม่รู้ความเป็นเทวดาอยู่แล้วความเป็นพระอินพระพมจะรู้ทาไมเมื่อไม่รู้ความเป็นพระอินพระพมแล้วความเป็นพระอริยบุคคลจะรู้ได้ทําไม มันต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อรู้ความเป็นคนแล้วความเป็นมนุษย์ก็ต้องรู้มากเข้ามากเข้าก็จะมองเห็นสภาพความเป็นสัตว์เดรัจฉานความเป็นเปกความเป็นสัตว์นรกความเป็นอสุรกา ย, ยก็จะรู้ไปได้เหมือนกันดังนั้นคําว่าผู้เป็นอาเรียบุคคลมีตาทิพ มีหูทิพ์มีกายทิพ์เราเข้าใจว่าตาทิพต้องนั่งอยู่ที่นี่มองเห็นไกลๆเข้าใจอย่างนั้นตัวของอาตมาก็เข้าใจอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจอย่างนั้นแล้วหูทิพต์ตาทิพต้องรู้ตัวเราถ้าตาทิพ์ก็มองเห็นสภาพจิตใจของเรามันนึกมันคิดเห็นรู้เข้าใจสัมผัสหักห้ามได้ในวาตาทิพ์หูทิพ์ ฟังคำพูดคำสอนของคนและครูบาอาจารย์มาเล่าให้ฟังบางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้บางคนก็ไปประสบมาพูดให้เราฟังเราก็รู้เรียกว่าเรามีหูทิพย์กายทิพย์ก็กายบริสุทธิ์นั่นเองไม่เอาความสุกปปกลูกความไม่ดีมาแปะเปือ้อนากายทิพย์เมื่อกายเป็นทิพย์แล้ว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 หน้าที่ของคนก็ควรที่จะปฏิเสธหรือสิ่งที่ไม่ดีนี่วะทิ้งไปไม่ทำไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เราไม่ไม่แต่ต้องคือปล่อยไว้ที่นั่นแหละจะไปทำลายมันไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นมาดังนั้นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการทำกรรมาฐานก็ดีการจเจริญนิพพานก็ดี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 เรื่องนี้มีคนพูดน้อยที่สุดอย่างที่อาจารย์ <c oughs> ด็เตอร์เขามาพูดวันนี้เนี่ยดังนั้นการพูดอย่างนี้อ่ะถึงจะน้อยก็าตามน้อยคนก็าตามต้องพูดได้จังห่ายอมเสียสลระทรัพย์เพราะรักษาอวัยวะยอมเสียสาะอวัยวะเพราะรักษาชีวิต ย, ยอมเสียกระทั่งชีวิตเพราะรักษาสัจธรรมคือความจริงนี่เอง สัจจะจึงมีอยู่หลายอย่างสัจจะที่ตาเห็นก็ได้สัจจะที่ตาไม่เห็นก็ได้สัจจะที่เรามองไม่ถึงก็มีสัจจะที่เรามองถึงแล้วก็มีดังนั้นทุกคนได้ให้ทานมาแล้วก็เป็นสัจจะคือการให้ทานอันนี้ก็สัจจะแบบหนึ่งคาว่าให้ทานเนี่ยเราจะมีแต่ความหมายว่าทานวัตถุสิ่งของอย่างเดียวเนี่ยเางจไหบางทีทานอย่างที่เสียสละไม่ใช่เสียสละ สมบัติภายนอกที่จะบทุกด้วยมือหลงพ่อพูดแบบนี้เสียสละคือใครมาพูดมาสมเราก็ตามมานินทาก็ตามเสียสละให้คํำคนที่พูดที่กล่าวนั้นเพราะเขาต้องการจะให้เขาไปันนั้นก็เป็นทานได้เหมือนกันเรียกว่าทานเหมือนกันคําว่าทานนั้นหมายถึงไม่เอาคืนมาแล้วคําสมเนี่ยคนินทาแล้วก็เสียสละกเพราะคนนั้นต้องการเอาให้เขาไปเสีย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 เป็นคนมันมนุษย์มันเนี่ยลึกเข้าไปอีกแล้ววันนี้มนุษย์มนุษย์ก็ลึกเข้าไปกว่าคนนะมันคําว่านุชมนุษย์เป็นผู้จิตใจสูงแล้วมันเป็นเป็นวางแล้วมันคือไม่ต้องเสียสละอะไรวางเฉยวางเฉยคําว่าวางเฉยคือไม่สําคัญมั่นหมายกับคําพูดเหล่านั้นหรือคนจะมาสมมานินทาก็ไม่สนเสริญ ไม่มีความสําคัญดรียว่าสัญญาควอมหมายรู้จําได้เห็นเวทนาเสวยอารมณ์เห็นสัญญาเสวยอารมณ์เห็นสังขารเสวยอารมณ์วิญญาณจึงแปลว่ารู้ดังนั้นปัญญาจึงหลอบรู้วิญญาณก็รู้ปัญญาจึงหลอบรู้คนผู้ที่มีปัญญาเรียกว่าเป็นมนุษย์เท่านั้นอย่างนั้นดังนั้นเหลือจากมนุษย์แต่เพราะมีขมละอายแม้ผ้าลดในกลางถนน ก็ยังดีก็โกรธความโกรธนี่น่าเบื่อหนา่ายน่าละอายศึกษาธรรมะก็ต้องพยายามลดละอันนั้นทันวันขั้นแรกที่สุดเมื่อโกรธขึ้นมาครั้งเดียวมันเต็มทีแล้วทันวันไม่ใช่แร่งรู้จริงอันนี้คนเนี่ยเลือกคัดจัดหาได้แล้วบอกไม่เอาอันนี้ไม่เอาคนบัด น, นี้มนุษย์ก็เยเฉยได้เพราะมีศีล มนุษย์จึงเป็นผู้มีศินคือมีรูปขันรูปอันนี้มีศินเดียวขันรูปขันมีศินเรียวขันห้ารูปขันมีศินเวทนาขันมีศินสัญญาขันมีศินสังขารขันมีศินวิญญาณขันมีศินทันวันไม่ใช่สินห้าสินแปดศิลสิบสินสองร้อยี่สิบจิอย่างที่เคยศึกษามานั้นอันนั้นก็จริงเพราะมันจริงโดยสมมุติทันวันอย่างนั้น การศึกษาหลักพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้จริงต้องเคารพตัวเองให้ได้ถ้าเคารพตัวเองไม่ได้ก็นั้นก็ยังไม่ใช่คนยนนแต่เป็นคนนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นมนุษย์แต่เราก็เรียกให้ว่าคนหรือมนุษย์เป็นว่าอย่างนั้นดังนั้นการฟังธรรมะนั้นต้องเข้าใจได้ไปแก้ไขตัวเองปฏิบัติตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องเป็นเทวดาเทวดานั้น อันอยู่บนฟ้าเอาไว้ก่อนเรามีคมละอายในการทำการพูดการคิดที่เราทำยังไม่ได้หรือเราทำได้มาแล้วมันผิดไปเราก็มีคมละอายเนี่ยธนวิญานั้นไม่ควรที่จะเอาของสิิงนั้นมาแล้วเนี่ยธนวิญญานั้นเป็นเทวดาได้ เ, ดเรื่องเทวดาเรื่องพระอินทพระพมมันก็มีอยู่ที่นี่ศึกษาลงไปที่ใจ เมื่อศึกษาลงไปเทีใจใจนั่นแหละเป็นคนรู้แต่ไม่ใช่ใจที่มากหัวใจเป็นอุมรุ่มอยู่นั้นไม่ใช่ใจอันนั้นใจมันรู้จักนึกคิดนี่หลวงพ่อพูดในใจมันคิดเห็นมันคิดรู้เห็นนี่ว่าคว่าเป็นนามรูปนามอันนั้นมันไม่ปิดตัวเป็นตนคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน วิญญาณขันขันซี่ขันนั้นไม่เป็นรูปแต่เป็นนามเป็นรูปอันนั้นคิดขึ้นมาบวกเข้ากันนะเป็นเป็นนามรูปเป็นความคิดเป็นรูปความคิดแบบ น, นี้วิญญาณต้องรู้แบบ น, นี้รู้ว่ารูปความคิดได้คิดขึ้นมาเนาะปัญญาต้องรอบรู้เนี่ยนว่าจังว่าอันนั้นแหละให้เราศึกษามาที่ตรงนี้เมื่อศึกษาที่ตรงนี้มันจะจางคายไปเองท่านว่า เป็นมนุษย์แล้วเหมือนกับน้ำสีที่เต็มกระป๋องมีไม่มีคุณภาพเอาผ้าขาวไปย้อมถ้าเป็นสีแดงผ้ามันจะไม่แดงถ้าเป็นสีดำผ้ามันจะไม่ดำเพราะเป็นมนุษย์แล้วหักห้ามจิตใจได้แล้วน้ำสีก็เรียกว่าน้ำย้อมไม่บรรลุพอทางน้ว่าลยังไงหมดคุณภาพที่ว่ายัางไรเือง เสื่มติครับเอ่อมเสื่สสมคุณภาพนี่อันนี้ก็เหมือนกันจิตใจคนนั้นทุกคนเป็นอย่างนี้แหละอยู่ตลอดเวลามันเป็นลักษณะเสยๆอันนี้เนะี่ยลักษณะเสยๆอันเนี้ถ้าจะพูดกันเรียก ว, ว่าภาษาธรรมเดียวอุเปกขาภาษาบ้านเดีย ว, ว่าเสย ๆ, ๆเสยๆอันลักษณะนี้แหละท่านว่าเป็นนิพพานหรือเป็นสันติเป็นความสงบ เมื่อคนได้ศึกษารู้เห็นเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทําหน้าที่ของเราโดยไม่เป็นทุกข์ท่นะจริงว่าเป็นมนุษย์นะจิวเป็นผู้อยู่เหนืออารมณ์หรืออยู่เหนือโลกท่นะไม่ใช่เหาะไปอยู่สั้นฟ้าอันนั้น่เป็นเรื่องที่เราขาดคิดเอามนุษย์จิว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงอยู่เหนือคนไปไม่ใช่ว่าไปอยู่สั้นฟ้านะอยู่เหนืออารมณ์คนมาสม คนมาตําหนิเพราะมีศินแล้วจะเป็นผู้หนักแน่นทันวันหนักแน่นต่ออะไรหนักแน่นต่อการทําการพูดการคิดของตัวเองทันวันดังนั้นทุกคนทําได้เมื่อทุกคนทําอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงก็ทําให้พุทธศาสนาเจริญทําให้โลกเจริญทันว่าอย่างไงถ้าทําได้อย่างนี้แล้วจะกินอะไรก็ต้องทําการทํางานตามหน้าที่นั่นเอง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 ทุกคนทําหน้าที่ไม่พลาดผิดหรอกเขาเรียกวบ้านนั่นเป็นเมืองสวรรค์เป็นหอภาษาตบ้านนั้นเป็นภาษาตุไม่ใช่ภาะาตอยู่สันฝานเป็นหอภาษาท่านั้นบ้านขอวงพอ่อเจ้าคนชอบทําภาษาตเพิ่งแล้วตายแต่จะได้ไปอยู่พระาตเพิ่งมันอันนั้นจริงอยู่โดยเป็นสมมุติคนไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติให้เข้าใจอย่างที่เราเคยฟังอย่างพระพุทธเจ้า พูดกับพระวักกลิศภวักกลิกชอบพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ดูไม่ได้แลมไม่ได้สมพระพุทธเจ้าก็ไม่ดีใจพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าพระวักกลิกนี่คงจะไม่ได้ผลคงจะมาสมแต่รูปกายอันนี้ถามพระวักกลิศพระวักกลิกตายเป็นไหมตายเป็นตายเน่าเป็นไหมเน่าเป็นเหม็นเป็นบันนี้พระองค์กฤลิ้มมือเข้ามาพระองค์ รูปนี้ตายเป็นไม่ตายเป็นเน่าเหม็นเป็นไม่เน่าเหม็นเป็นถ้าตายเป็นเน่าเหม็นเป็นจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกพระวักกลิศพระวักกลิศเกิดมีความสนใจขึ้นมาเพราะไปติดพระพุทธเจ้าเลยบัด น, นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เลาให้ฟังเรื่องหนีพระวัลิศพระวักกลิศก็จะไปโดนเหวตายว่าอย่างนั้นพระพุทธ เ, เ, เจ้าก็เลยมีความเมตตาไปห้ามไว้ อันนั้นมันเป็นเรื่องของคนที่ยังเสื้อตำราฝังเข้าในตำราจริงๆเราต้องคิดให้เป็นพระวักกะฤทกิ์ไปดูพระพุทธเจ้าคิดแต่เรื่องสวยเรื่องงามอาดีตอนาคตไม่เคยดูจิตดูใจเลยพระพุทธเจ้าท่านอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้เนะี่ยแต่หลวงพอคิดเอาเองนะนี่พระวักกะฤทธิ์หยุดค่มคิดเสียทีอย่าไปยุ่งกับคุมคิดไปให้พ้นค่มคิดไปให้พ้นสังขารอันนี้อันนี้เป็นตัวทุก์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 ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงก็พ้นจากความทุกข์ก็ได้ดวงตายเห็นธรรมเห็นธรรมจึงมาเห็นของจริงไม่ใช่สีแสงผีเทวดาอันนั้นก็จริงจริงโดยสมมติเห็นจริงแต่ของที่เห็นนั้นไม่ใช่เป็นของจริงกันหนยเห็นจริงเพราะเราหลงเราเคลอฝันไปเพราะจิตใจมันสร้างมาโนภาพขึ้นมาเพราะเราไม่เคยเห็นจิตเห็นใจตัวเองนั่นเอง คนเกิดมาเป็นคนไม่เคยดูจิตดูใจตัวเองได้จะเป็นคนได้ทำไมมันก็เป็นไม่ได้ทีพาอเลือกไม่ได้แต่คนบางคนก็พูดอย่างนี้ก็เข้าใจทันทีก็มีบางคนฟังตั้งหลายครั้งหลายหนจึงเข้าใจสัวมีบางคนฟังตั้งสิบครั้งไม่เข้าใจก็มีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเข้าใจบัไม่ตรงจริงไหมสัมมาทิฏฐินะจึงมาตรง เห็นจริงแต่ว่าสิ่งนั้นจับไม่ทูกด้วยมือมองไม่เห็นด้วยตาสัมผัสไม่ได้ด้วยมือแต่รู้ได้สัมผัสได้เพราะปัญญาหรือจักสุปัญญาท่านว่าจักขูตินสีจักขูธาตุคือธาตุทางตาจักขุวิญญาณธาตุคือวิญญาณทางตาท่านว่าคือมีทั้งจักสุมีทั้งธาตุมีทั้งปัญญาจึงว่ามันมีทั้งสามตาก็มีสามอย่าง หูก็มีสามสามหกยดสิบแปดทวัถาสิบแปดนว่าอย่างนั้นดังนั้นที่นำมาเล่าให้ฟังเป็นหัวข้อสั้นๆเพื่อเป็นการเตือนจิตสกิดใจของพวกเราเราต้องศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามพวมเป็นจริงถ้าหากเราศึกษาพาดผิดไปแล้วการกระทาของเราก็จะไม่ก้าวหน้าดังนั้นการฟังธรรมะจะเป็นใครพูดก็าตาม เราจะไปฟังเอาสำนวนการพูดนั้นคนกรุงเทพเรียนมากจับใครมาพูดเขาได้ได้ปริยาตีโทเอกใครพูดก็ได้อันนั้นเราต้องรับฟังเอาไว้แต่ข้อสำคัญวิธีธทรรมข้อสำคัญวิธีทรรมทำยังไงเราจะไม่รู้แต่การพูดเพราะมันมีหลักทฤษฎีมีตำราอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ก็เช่นเดียวกันดูจิตดูใจนะ พระพุทธเจ้าตัดสั้ปเพราะการทาทางจิตทางใจนะหลวงพ่อ ก, ก็พูดได้แต่ว่าวิธีทำนั้นยังไม่เข้าใจดังนั้นต้องศึกษาทางทฤษฎีและศึกษาวิธีปฏิบัติอีกด้วยเราจะเป็นนั่งคาดคิดเอาไม่ได้เพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้นั้นจะคิดคาดคเนเอาไม่ได้จะคิดล่วงหน้าไม่ได้ ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไปคิดอย่างนั้นไปตีขวบหมายก็ผิดปัไเนี่ยเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นให้มันมีมันจึงรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ดังนั้นที่หลวงพ่อพูดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้จริงแล้วว่าให้มีสติกําหนดรู้ในอิทธิยุตรทั้งสี่หรืออธิยาบทหรืออิทธิยาบทกับนี่มาคำเดียวคำนึ่งที่ขันเมสเะละอิแต่ตเจ้าพิสเละอีนะอืขันเป็น เขาต้องเป็นอริยบทเขาต้องเป็นสละอะแต่ว่าเป็นตัวออมเต้นหลวงพ่อจำไม่ได้เพราะมันเป็นตัวหนังสือหลวงพ่อจาไม่ได้ให้มีสติกําหนดรู้ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้เรียองมีสติบ้านเราเรียกว่ารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจทันวันบัดนี้มันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้ในทันวันบัดนี้คนเคลื่อนไหวไม่รู้เลยแต่มันรู้เนี่ยเป็น เรยไปตามสัตว์แต่ยานสัตว์มันก็เคลื่อนไหวเป็นมันก็วิ่งเป็นนอนเป็นสัตว์คนก็วิ่งเป็นนอนเป็นเนี่ยมันเป็นอย่างไงมันก็เหมือนกันกับสัตว์นั่นเองดังนั้นการที่รู้กับการที่ไม่รู้มันผิดกันคือรู้นั่นนวลท่านว่าตั้งใจเรียกว่าสมาธิท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นการทําพูดคิดต้องให้เข้าใจเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ดีแล้วท่านดังนั้นหน้าที่ของคน ต้องรู้จักเลือกคัดจัดหาเอาให้เป็นเมื่อเลือกคัดจัดหาเอาได้แล้วก็เรียกว่าควมเป็นคนหน้าที่ของคนต้องปฏิบัติเพะพะปฏิบัติแล้วสมบูรณ์แล้วควมเป็นมนุษย์ก็จะขยับเข้ามาเลี้ยงหยับเข้ามาอไวง้ยเนื้อเอาก็ได้เลยมันไม่ต้องเนื้อมันเข้ามาเต็มเองทั้งว่าเมื่อเต็มนั่นก็เรียกว่ายานปัญญ า, า, า, าจริงวิปัสสนาญาณจึงว่ารู้แจ้งเห็นจริง เมื่อรู้แจ้งเห็นจรนก็ต่างเก่าล่วงภาวะเดิมตั้งเพราะอะไรรู้แจ้งเพราะเรื่องแจ้เรื่องลู่แจ้งกว่าเรื่องรูปรูปนี่ก็ต้องรู้รูปนี่ต้องรู้เรื่องเวทนาเสวยอารมณ์ก็ต้องรู้เรื่องสัญญาความหมายรู้ก็ต้องรู้เรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิญญาณต้องรู้ทั้งนั้นดังนั้นจิวายเห็นเห็นกับรู้กับเข้าใจเห็นรู้เข้าใจสัมผัส ดังนั้นสัญญานั้นจึงว่าบางคนว่ายึดถือแต่ยึดถือโกจริย์ยึดถือแนวที่ผิดนั่นเทีวอุปาทานแต่มันเข้าไปสัมผัสแนบแน่นอันนี้ไม่ใช่ยึดถือความเป็นเองควา ม, มเป็นเองมันเป็นอย่างนั้นจึงว่าความเป็นเองมีอยู่แล้วในคนทุกคนอย่างที่พวกเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้จิตใจเป็นลักษณะเสยเสยมันเป็นอย่างนี้แต่เรายังไม่มีสัญญาอันนี้สัญญาอันนี้จำอันนี้ไม่ได้ ถ้าสัญญาจําอันนี้ได้มันก็ต้องอยู่กับอันนี้สิเราอยู่ไม่ได้ก็เพราะเรายังไม่ใช่คนแต่อยวจะสัวหาหลงพอไว้แต่ไม่ใช่คนเพราะเรายัางไม่รู้เนี่ยถ้าเรารู้ก็ต้องเลือกเอาอย่างนี้สิอันนั้นเป็นหน้าที่ของคนเรียนถ้าเรายัางอยู่กับอันนี้ไม่ได้เลือกเอาอันนี้เนี่ยไม่ได้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่คนเพอยงไรคนมันยังมีขึ้นๆลงๆเป็นเป็ดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว<ม>์นรกเป็นอะไรกี่ปะทะ ทำไมจี่มาเป็นมันขึ้นขึ้นลงล ง, ลงขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้างนั่นเป็นอย่างนั้นจ้ะอันนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นคนคนต้องเอาอันเดียวแล้วสัญญาจีตวิญญาณแ น, น่แน่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะสัญญาลู่แจ้งเห็นจริงตามควเป็นจริงก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาพอดีเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วบัด น, นี้ก็จะเปลี่ยนให้เป็นอริยบุคคลก็ได้อาลีเปลวค่าศึกงะเปลวพลนไปจากสิ่งเหล่านี้ทันว่าอย่างนั้น ดังนั้นการทำอะไรทั้งหมดเราต้องศึกษาและต้องปฏิบัติถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติแล้วจะไม่เข้าใจเพียงเข้าใจคำพูดนั้นมันยังเป็นข้าวเปลือกมันยังกินไม่ได้ข้าวสารก็ยังกินไม่ได้มันต้องกินข้าสุกดังนั้นทุกคนให้ทานมาแล้วทุกคนรักษาจินมาแล้วบางคนก็ได้ทำกรรมาฐาน นั่งข่มสงบมาแล้วถ้ามันยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้มันก็ยังไม่ถูกต้องทิพระพุทธเจ้าของเรานี่สมัยนั้นไปศึกษากับพราหมณ์ได้สม บ, บัติแปดพุ่นนะรูปซานสีอรูปปานสีอันนั้นไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นคําสอนของพราหมณ์การให้ทานก็เป็นคําสอนของพราหมณ์การรักษาศีลก็เป็นคําสอนของพราหมณ์การทําสมาธิรสมาธิก็เป็นคําสอนของพราหมณ์ แต่มันผิดไหมไม่ผิดทำดีแต่ชมแต่ว่ามันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เมื่อแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ยังไม่เปลี่ยนวิปัสนาก็ยังไม่เป็นพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าวิปัสนาต้องแก้ปัญหาตัวเองนะวิปัสนาที่ว่าเป็นตัวปัญญาคนจะล่วงทุกไปได้ก็เพราะปัญญาท่านว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าคนจะล่วงทุกไปได้เพราะไปนั่งไปสงบอย่างนั้นอันสงบแบบนั้นเรียกว่าอยู่ในถรำอยู่ที่มืด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 สมมุติมาพูดให้ฟังแล้วก็นำไปใช้มันจะทิ้งสมมุติไม่ได้จริงว่าสมมุติบัญญัติขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อนี่ยเรื่องคุณเคยบวชไหมยครับยังไม่ได้บวชสิเอาคุณเคยบวชบ้างไหมยังครับยังไม่ได้บวชตอานี้เคยบวชบ้างไหมเคยตีบวชกี่วันผ่านสามแล้วคุณทำไมศึกได้นะคุณทำไมศึกได้ก็ศึกนะฮะ นั่นก็เรื่องสมมติเนี่ยว่าสมมุติสมมุติบวชขึ้นมาถามความจริงกันเนี่ยพอเอาความจริงมาพูดให้ฟังผู้หญิงก็ไม่ได้บวชเป็นเป็นพระสงฆ์นี่ยก็เป็นเป็นแม่ขามสมมุติเอาแจ้กรดีนะดีเพราะเอาอันนั้นมาบังคับไว้เทนั้นเองว่าสมมุติแลก็บัญญัติขึ้นมาเป็นตัวบทกฎหมายเท่านั้นอย่าไปผ้าฝืนอย่าไปทําร้ายแต่สมมุติบัญญัติปารามะก็เป็นของจริงคือพระจึงแปลพูดสอนคุณ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 นึกว่าฝังง่ายง่ายทําอย่างสบายสบายหมายถึงว่าหงายของที่คว่ำหลวงพ่อพูดด้วยนะเปิดของที่ปิดของที่คว่ำหน้าอยู่ไม่มีคนมาหงายขึ้นมาเราก็ไม่ได้ดูของที่ปิดอัดแน่นไว้ไม่มีคนมาไขเราก็ไม่ได้ดูเกลียวกับแหวนลถกับแหวนน็อดเนี่ยมันหันเข้ามาแล้วเราจะไปไม่มามาิเตอหมุนเข้ามันก็ออกไม่ได้ บ้านเนี้เราพยายามหมุนหันซ้ายนะครับมันก็ล่น อ, อกคนเดียวมันดังนั้นการศึกษาธรรมะในะจึงมีของจริงจริงหลายอย่างนะเกิดมาแล้วก็ตายก็จริงได้เช่นเดียวกันเนี่ศึกษาให้รู้ก็จริงได้เช่นเดียวกันดังนั้นทําให้จิตใจของคนเปลี่ยนเป็นขั้นเป็นตอนตามระดับตามขั้นตามภูมิที่พระพุทธเจ้าทันสอนเอาไว้นั้นว่า สัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตคือกันเหมือนกันเมื่อยังไม่รู้ก็ต้องทำไปบัด น, นี้พระพุทธเจ้าของเราสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี่ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี่ บัตรนี้เรายั้นเท้าอยู่ที่นั้นเราไม่กล้าวออกจากที่นั้นเราจะไปกับพระพุทธเจ้าได้อย่างไรกันเพราะเรามีโซ่มีจวนมีอะไรพูกแข้งผู้ขาเราไว้แล้วเนี่ยเราไปไม่ได้เราต้องเสียสละของที่เราทําไว้แล้วนะ่ะไว้ก่อนเราต้องทําอันใหม่ขึ้นไปต่อไปไม่ได้ทิ้งแต่ทิ้งไม่ทิ้งกันเราก็ไม่ได้ไปจับมันไว้ของที่นั่นเราทําให้มีการเห็นแจ้งทําให้มันกล้าวหน้าขึ้นไป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 ให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในชีวิตนี้คือพ้นไปจากความทุกข์ขอให้ทุกคนจงปะสบพพบเห็นเอาในชีวิตนี้จงทุกทุกคน